ว่าในเรื่องตัณหาสามคือหนึ่งกามตัณหาคือความอยากในกามสองภวะตัณหาคือความอยากในภพสาวิภวะตัณหาคือความอยากในการปราศจากภพหรือว่าอยากไม่มีอยากไม่เป็นเมื่อพูดถึงตัณหาสาม นักเรียนนักปรึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายได้โปรดทาความเข้าใจว่าทุกที่เกิดขึ้นกับคนเราทุกๆวันนี้ก็เนื่องมาจากตัวตัญหานี่เองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในตัวตันหานี่แหละมันทำให้ <c oughs> ให้คนเราตาหันคือต้องหันไปหันมาหันไปตามโลกเราจึงตกอยู่ภายใต้อานาจของโลก โลกอะไรโลกธรรมนะตกอยู่ภายใต้อํานาจของโลกธรรมตกอยู่ภายใต้อํานาจของอตัณหาตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสฝ่ายต่ำํำฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันทําให้ให้เราต้องตาหันไปหันไปหันมาจึงเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนฉะนั้นคําว่าตัณหานี้ ถ้าแปลตามรูปศัพ์ก็คือให้แปลว่าความอยากคืออยากได้อยากพ้นอย่างแรงก็จะเรียกว่าทยานอยากหรือว่าทยานอยากดิ้นรนเนคือไม่ได้อยากธรรมดาคือทยานอยากไอ้คาว่าทยานอยากนี้เท่ากับว่าเป็นการกระหายมากอยากมากนยอยากมากเขาจึงเรียกว่าตัณหาสาม ด้านตัณหาสามนี้ในข้อแรกที่บอกว่ากามตัณหากามตัณหาได้แก่ความทะเยอทยานดิ้นรนอยากได้ในวัตถุกรรมวัตถุกรรมคืออะไรวัตถุกรรมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะที่ยังไม่ได้ และความหงกนุ่นนัวเมาอยู่ในวัตถุกรรมที่ได้แล้วเช่นเมื่อยังไม่ได้ในวัตถุกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนปรารถนาก็มีความดิ้นรนแสวงหาด้วยความอยากครั้นเมื่อได้สิ่งนั้นมาสมความปรารถนาแล้วก็มีความห่วงใยอะไรวักงกนุ่นมัวเมาอยู่กับสิ่งนั้นจนลืมตัวลืมตน ล, ลืมพ่อลืมแม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง นี่แหะเรียกว่ากามตัญหาคือทําให้คนทยานอยากท่านลองนึกดูสิว่าคนเราทุกวันนี้ติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรถติดการสัมผัสลองนึกดูด้วยโดยมากเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ญาติโยมฝ่ายคารวะแม้แต่แค่สององค์เนของเราก็ติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรถติดสัมผัส เพราะว่าสิ่งนี้แหละถ้าเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือกรรมคุณท่านะกรรมคุณท่านะคือรูปทําไมเราจึงติดรูปเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นมักจะมองกันเพียงแต่ในรูปร่างวัตถุนะมองกันเพียงรูปร่างวัตถุเื่อเห็นรูปสวยก็ชอบเห็นคนสวยก็ชอบ เห็นตึกรามบ้านท่องสวยๆก็ชอบเห็นรถสวยๆก็ชอบเห็นเสื้อผ้าสวยๆก็ชอบเห็นอะไรที่มันเป็นวัตถุที่ดีที่งามแล้มันชอบไปหมดเลยและอสิ่งที่เราชอบนั่นอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าชอบตลอดไปนะมันก็ชอบประเดี๋ยวประเดาชั่วครู่ช่วยยามอาจจะเป็นเดือนนานไปก็เป็นปีแต่เพราะนั้นก็เปลี่ยนแตง่งไปชอบรูปอื่นต่อไปอีกไปชอบคนอื่นต่อไปอีกนี่ทาไมจึงเป็นอย่างนั้น เพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนแปลงได้นอกจากไอความรักก็เปลี่ยนแปลงได้ไอรูปมันก็เปลี่ยนแ ป, ปลงได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตกอยู่ใต้อำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนอ่อในตอนที่มันเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็กระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยดูสะสวยงดงามบูหลอ่อเหลา มันก็น่าน่าสนอกสนใจนะแต่พอนานไปนานไปเราเบื่อของอะไรที่มันจำแจจำเจอยู่ทํำบ่อยๆ อ, อยู่กันบ่อยๆคลุกคลีกันบ่อยๆมันก็เกิดความเบื่อหน่ายนะเข้าตาราที่โบราณว่าน้ํำพริกถ้วยเก่าอนะ่มันก็เลยเบื่อฉะนั้นนี่แหละคนเราจึงติดรูปนะจึงติดรูปอนะ่ฉะนั้นเราไปติดไปหลงไปยึดมัน นะมันเป็นทุกตรงนี้นะทุกตรงนี้เมื่อมันยังมาไม่ถึงเราก็ไปรำพึงรำพันถึงมั น, นเมื่อได้แล้วก็เป็นหลงไหลนะจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละจึงบอกว่าเราติดรูปกันนะติดรูปกันฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาเข้าใจว่าโลกที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมนะดินน้ำไฟลมารู้ว่ามันมีทั้งรูปใหญ่รูปเล็ก รูปใหญ่ก็คือมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมรูปเล็กก็ได้แก่อุ ป, ปาทายรูปคือรูปอาศัยคืออาศัยมหาภูตรูปก็มีหลายอย่างตั้งแต่ภาษาทารูปห้านะหรือโคจรรูปห้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้ว อ, อารมณ์ห้านี่ก็เรียนนะเร น, น, นี้เนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นเราต้องรู้ว่าแม้แต่ตัวเราก็เปลี่ยนแปลงืนะ เมื่อตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเราก็ไม่แน่นอนยังเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายนับภาษาอะไรคน อ, อื่นที่มันจะไม่เกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนกันด้นการที่เราไปติดรูปไปหลงโรคก็คือเราไปติดไอ้สิ่งที่มันไม่แน่นอนมันก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกมีแต่โทษนะมีแต่ทุกมีแต่โทษสิ่งนั้นถ้ามนุษย์ลอยไปเราก็เกิดเสียใจไม่ได้มาเราก็คิดแสวงหา ไม่ได้ด้วยสุจริตก็เอาด้วยทุจริตไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมลก็เอาด้วยคาถาอย่างนี้แหละมันจึงเกิดทุกเกิดโทษมากนะเกิดทุกเกิดโทษมากฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจงพิจารณานะเรื่องรูปอเพราะว่าในรูปนี้ขอประทานโทษนะว่าทําไมคนเราจึงปิดรูปเพราะในรูปมันมีรู อยู่เก้ารูด้วยกันก็คือทวารเก้าทวารทั้งเกนะ้าทวารทั้งเก้าก็คือมีตาสองตาสองจมูกสองก็เป็นสี่หูอีกสองก็เป็นหกปากอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดทวานหนักอีกหนึ่งก็เป็นแปดทวารเบาอีกหนึ่งก็เป็นเก้านี่เรียกว่าทวารคือประตูคือช่องร่างเรามันมาติดประตนะูติดประตูกัน ฉะนั้นนี่แหละถ้าหากว่ามันไม่มีตาหูจมูกเห็นกายใจเราก็จะไม่หลงไม่ติดกันฉะนั้นนี่แหละเพราะในรูปมันมีทวานก้าวมันมีรู ก, ก้าอย่างนี้แหละเราจึงต้องหลงไหลไฟฝันกันประการที่สองเขาก็ติดเสียงนะติดเสียงคือเสียงเพราะเสียงหวานอนะเสียงจับจิตจับใจนะ่ะ ไอ้หูคนเรานี่มันก็อยังงั้นแหละชอบฟังเสียงเย็นเย็นเสียงเคราอห์เคาะห์ฟังแล้วก็มันสบายหูนะคนไหนพวกเพราะเราก็ชอบใจคนไหนพูกไม่เพราะเราก็ไม่ชอบใจนะมันเป็นอย่างนั้นนี่คนเราเป็นอย่างนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันมีไหมคนจะรักกันแล้วก็พูดบอกว่าขอประทานโทษแม้กูนี่รักมึงจังเลยอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีนะ ไ, ไม่มีหรอกไอ้จะมาพูดกูกูมึงมึงเนี่ยไม่มีหอก ในตอนรักกันน่ะแหมพูดหวานเนึอเกินพี่อย่างนั้นน้องอย่างนี้แต่อีพีพอเกียดกันโกรธกันแล้วก็เอาแล้วมึงอย่างนั้นกูอย่างนี้พ่อมึงอย่างงั้นแม่มึงอย่างนี้ตายแล้วยังขุดเอาขึ้นมาด่ามาว่ากันนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นนี่แหละเสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมากระทบโสตประสาทของเรากระทบหูของเราเราก็ต้องนึกว่าเสียงก็สักแต่ว่าเสียงรูป ก, ก็สักแต่ว่ารูปไม่ใช่ศักบุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ในคนที่มันติดในเสียงเนี่ยมันก็เกิดทุกข์มากทาไมก็คือว่าตัวเองเคยได้ฟังเสียงอย่างนี้ถ้าไม่ได้ฟังแล้สึกแหมมันกังวลใจแหมกังวลอ่าเคยฟังเสียงเพราะเพราะเราชอบคนไหนที่เราชอบฟังเสียงอะ่ะแม้เราชอบเห ล, ลือเกินเสียงของคนรักของเราเราเคยได้ยินทำไมาได้ยินยแแหมมันนอนไม่หลับฮ่าหรือไปได้ฟังเสียงของใครเข้ามันคล้ายกับเสียงของคนรักของเร า, เราก็แหมใมันเกิดจิตจับใจ นะทำให้เราลําเลอเพ้อพกอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งเราก็ติดเสียงนักร้องติดเสียงดาราน่ะนักร้องเพลงเพราะๆติดเราจะเห็นว่าบางครั้งบางคนนี่ถึงกับหลงไหลไ่ฝันยอมทีร่างตัวเองให้กับอพวกนักร้องที่เสียงดีๆดีๆเนี่ยโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอันนี้เคยเป็นข่าวเพียวกราวมาเยอะแยะนี่เพราะอะไรก็เพราะหลงไหลในเสียงนั่นเอง เมื่อหลงเมื่อติดแล้วอะไรก็ได้ทําอย่างไรก็ได้เนี่ยฉะนั้นมันมีโทษและฉะนั้นดูสิตามพวกบาขับอบอาบนวดต่างๆเนี่ยที่เราต้องไปหลงเอาเงินไปทุ่มไปเทกันเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวจนลืมลูกเมียทางบ้านลูกเมียทางบ้านอดอดอยากอยาแต่ตัวเองนั้นต้องเอาไปปลนเปลอยเสียงอย่างนี้เองนะปลนเปลเสียง บางครั้งนักครองคนนั้นต้องย้ายไปต่างจังหวัดไปชนบุรีตัวเองก็อุตส่าห์ดันด้นไปไปเชียงใหม่ก็ไปลงใต้ก็ไปผลที่สุดก็รถชนตายหรือไม่งั้นก็อาจจะคัดขาดแ ค, คลนทรัพย์สินเงินทองจะลืมลูกลืมเมียนึกๆดูลแล้วมันก็น่าสงสารน่าสังเวชน่าสลดใจสำหรับคนประเภทนี้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงสังวรจงสํารวมมีสติคอยระวังคนโบราณเขาจึง หาโอกาสว่าเราจะทาอย่างไรจึงจะทําให้คนเนี่ยเป็นหูหน่ะเพราะธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันหูเมาเหลือเกินนะหูเมามากนะทําอย่างไรจึงจะให้หูหน่ะ ก, ก็คิดแนวคิดเล่าคิดไม่ออกพอเดีมีนักปราชญาคนหนึ่งก็คิดขึ้นว่าอ๋อนึกออกแล้วจะต้องเจาะหูนะจะต้องเจาะหูแล้วก็เอาลูกตุ้มไปถ่วงไวนะ้เอาลูกตุ้มไปถ่วงไว้ ในการที่เอาเจาะหูลูกตุ้มไปถ่วงไว้นั้นไม่ได้หมายถึงความสวยงามหากจะว่าเป็นเครื่องหมายในเตือนจิตสกิจใจว่าฟังอะไรแล้วก็ทำหูหนักหนักไว้น ะ, ะเขาจึงมีคำกลอนว่าใส่ตุ้มหูดูงามตามมิสัยวินิชัยชวนคิดปริสนาหูมีตุ้มคอยถ่วงหน่วงวิญญาฟังวาจาครั้งใดพึงไข่ครวนนี่เห็นไหม หูมีตุ้มคอยถ่วงหน่วงวิญญาฟังวาจาครั้งใดพึงใคร่ครวนใครเขาพูดอะไรอาจจะยุแยยุยงส่งเสริมอะไรก็ต้องใคร่ครวญให้ดีหรือจะมาพูดกั่นแกล้งพูดจาหลอกล้ออะไรก็ใคร่ครวนให้ดีอย่าไปตื่นตหนกตกใจอย่าไปทําหูเบาไงอันนี้สําคัญมากไงสำคัญมากเรื่องหูนี้เอ่ะนั้นเราทุกคนบางครั้งก็เข้าใจผิด เพราะไปฟังคนอื่นก็มาตีโพยตีภายตีอกชกใจเกิดการทะเละวิวากันเกิดการเข้าใจผิดถึงก็ต้องอะทะเละ ก, กันด่ากันฆ่ากันตายก็มีก็เพราะไอ้เรื่องฟังผิดผิดเชื่อง่ายๆฉะ <c oughs> นั้นจึงบอกว่าขอให้เราทุกคนนั้นจงเป็นคนทำหูหนัก น, กนกัแล้วก็จะสบายใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเรานั พระพุทธองค์ท่านจึงบอกว่าอะไรที่มันเป็นมงคลบางคนก็บอกว่าเสียงที่ได้ฟังเป็นมงคลบางคนก็บอกรูปที่ได้เห็นเป็นมงคลสารพัดเลยนะอย่างโน้นก็เป็นมงคลอย่างนี้ก็เป็นมงคลเถียงทะเลาะกันจนตัดสินไม่ได้พระพุทธองค์พวกเราเทวดาต่างๆก็เลยพากันมาถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าสิ่งที่เป็นมงคลก็เป็นต้นว่า อาเสวนาจะพาลานังปันนิตานันจะเสวนาบูชาจะบูชนียานังเอตมังคลมุตตมังเป็นต้นว่าการไม่ครบคนพาลครบแต่บัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุดนี่แหละถือว่าเป็นมงคลหรือที่เรียกว่ามงคลสามสิบแปดประการนั่นเองอ่าฉะนั้นนี่เรื่องหูนะฉะนั้นนี่เรื่องหูขอขอทุกคนสั ง, งวรระวังไว้ อาการที่สองก็คือเรื่องเปลิ่นนะเรื่องเปลิ่นไอ้กลิ่นนี่มันเกิดจากจมูกจมูกมีหน้าที่ในการดมดมกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นดีกลิ่นไม่ดีกลิ่นบูดกลิ่นเน่าแต่เรานี่ยมันก็แปลกคือดมไอ้สิ่งที่ไม่น่าดมบางทีก็ไม่น่าเชื่อว่าไปจะดมได้ก็ยังไปดมอีกทั้รมดาจมูกของคนเราเนี่ยมันต้องสูตรอากาศดีๆนะสูตรอากาศดีๆแต่เรานั้นไปสูตรอากาศไอ้ที่มันอับตักนี้มันก็ ไม่ไหวนะมันยังนี้จมกูกโคลจมูกเสียจมูกโวจมูกแหวงไปหมดไม่ได้เรื่องนะไม่ได้เรื่องนี่เพราะเราดมเป็นไม่เป็นนะดมเป็นไม่เป็นอาฉะนั้นเมื่อเราได้กลิ่นก็สักแต่ว่าเป็นนะเป็นนั้นก็สักแต่ว่าเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่กีรังยั่งยืนไอ้ที่เราว่าหอมนะ่ะจริงๆมันไม่หอมหรอกนะจริงจริงเนี่ยมันไม่หอมมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา แต่เราไปสังคันมันไปยึดนในตัวอุปาทานตัวนี้แหละไปยึดไปหลงไหลไปติดมันมันก็เลยเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้กลินอย่างนี้ไม่เอ า, อาฉะนั้นอันนี้เราจึงตกเป็นทาสของพวกน้ำหอมต่างๆที่ในทุนเขาทำมาขายาขวดเท่านิ้วก้อยราคาตั้งเป็นร้อยเป็นพันนี่เราก็เอามาประกวดประขันกันของฉันนี่ขวด ร้อยนะของฉันสามร้อยนะของฉันห้าร้อยนะของฉันเป็นพันนะไอ้ห่ออย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอ่านี่มันเรื่องอะไรนี่มันเรื่องของกิเลสตังหาของคนที่ติดในกลิ่นต่างหาไอ้คนเราจะดีไม่ใช่ดีที่น้ําหอมนัม่นดีที่คุณธรรมดีที่มีศีลธรรมอ่ดีที่ความดีต่างหากคนไม่มีดีให้เอาน้ําหอมครอกทั้งตัวเท ร, ราดทั้งตัวอาภวานันมันก็ไม่ดีขึ้นได้นะฉะนั้นคนเราหอมด้วยความดีหอมด้วยเกลิ่นของศีลกลิ่นของธรรมะ กลิ่นของศีลกลิ่นของธรรมะนี่แหละหรือว่ากลิ่นของความดีนี่หอมทวนลมก็ได้ตามลมก็ได้แต่ว่ากลิ่นของน้ำหอมหรือกลิ่นของดอกไม้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้แต่หอมไปตามลมเท่านั้นไม่สามารถจะทวนลมได้ฉะนั้นขอให้เรามาสร้างกลิ่นหอมด้วยความดีกลิ่นหอมของศีลของธรรมอย่างนี้น่าคบหาน่าสมาคมแล้วกล่นอย่างนี้ก็จเจริญตาจเจริญใจฉะนั้น ก็ขอให้เราได้รับรู้ไว้ด้วยว่าอย่าไปติดกลิ่นนะฮปกิ่นก็สักแต่ว่าเป็นทําใจเป็นกลางๆแล้วเราก็จะสบายร้นสังเกตดูบางคนก็มาทะเลาะกันไอ้เรื่องไอ้เรื่องกลิ่นนี่ก็เยอะแยะไอ้ไอ้เครื่องหอมหอมเครื่องใช้ไม้สอยอะไรซูมาได้ราคาแพงซื้อมาได้แต่น้ําปลาขวดเดียวขวดละห้าบาทสิบาทซื้อไม่ได้เนี่ยถึงกับทะเลาะกันอย่างนี้ก็มีอืฮ ถ้าเล่าก <constants. S 2> ันอย่างนี้ก็มีนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกบางครั้งไอ้ของที่มีกลิ่นหอมมันอาจจะไม่มีคุณประโยชน์ก็ได้ไอ้ของที่ไม่มีกล่าไอ้ของที่มีกลิ่นหอมอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้อาจจะไม่มีค่าเท่าไรก็ได้แต <granny. husband. S 1> mm ่มันมีราคาแต่ไอ้กลิ่นที่ไม่หอมนนั้อาจจะมีประโยชน์แล้วก็ราคาก็ไม่แพงแต่ว่าเรากลับไม่สนใจดัะนั้นก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดมาในข้อที่ อสี่ก็คือรสนะเรื่องรสก็เหมือนกันไอ้คาว่ารสนี่หมายถึงว่าคือรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเผ็ดและนี่ก็คือลิ้นเป็นตัวสัมผัสคนเราก็ติดในรสนะติดในรสมีติดในรส อ, อาหารนะไอ้คาว่ารสนี่มันก็เมื่อพูดแล้วมันก็เกิดขึ้นหลายทางนะในรสนี่คนเราบางทีมันก็มันกินได้ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือรสนี่ก็คือกินทางปากนะกินทางปาก แต่ถ้าพูดในภาษาธรรมะคําว่ารับนี่ก็กินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกินได้ทางนั้นกินทางตาก็ตากินรูปก็เกิดความอริสอร่อยทางรูปก็คือความพอใจในรูปอ่ารับในทางเสียงก็คือว่าฟังเสียงแล้วเพราะก็เกิดอริสอร่อยทางเสียงก็หลงไหลนั้นอก็ติดในรับเสียงกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นหอมก็เกิดความหลงไหลอ่าติดอในกลิ่นดีอ เป็นมันยา้ายวนกวนใจก็เกิดความอริดอร่อยทางจมูกขึ้นมานะแต่ว่ารสในที่นี้มุ่งเอารสในทางทางเล่นที่ได้ลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเข้าไปร่างคนก็ติดถ้าไม่ใช่อาหารรสนี้ไม่เอาคนนี้ไม่ทำไม่กินฉะนั้นนี่แหละตำร้านค้าต่างๆเขาจึงฉลาดนะก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเก่าก๋หฮับเจ้าเก่านะ ไอ้เรือล้ำนั้นน้ำมันเปลี่ยนไปเมื่อจากกี่สิบล้ำเนะี่ยเมื่อไหรเมื่อไหรก็เจ้าเก่าเจ้าเก่าไอ้คนโง่กัดหลงก็ไปกินอยู่อย่างนั้นเองนะไปกินอยู่เลยนี่นี่เพราะอะไรก็เพราะไอเราไปติดรถนั่นเองบางครั้งเราต้องนั่งรถไปกินไกลแสนไกลอ่านะถึงกับรถชนกันตายก็มีเสียเวลาเวลาก็มีอ่านะเขาเคยบอกน้องไปเตี๋ยวเออเรือต้องที่นอนนอนโดยบ้างรังสิต บ, บ้างเนี่ยเรื่องอะไรเรากินเพื่ออะไรเราไม่ได้พิจารณา เรากินเพื่ออยู่เราอยู่เพื่อกินะไอ้จริงๆแล้วมันก็อาหารมันก็มันเหมือนกันนั่นแหละนะเหมือนกันนั่นแหละทําสะอาดแล้วมันพอใช้ได้นะมันก็มีคุณค่ามีก๋วยเตี๋ยวมีมีมีหมูมีถั่วงอกไม่อหไมันเหมือนกันแหละนะมันไม่ได้วิเศษแต่ว่าเราไปติดค่านิยมติดชื่อเสียงกันนะติดชื่อเสียงบางทีก็อยู่ไกลๆก็ป้ายนั่งรถไปกินกันก็กินกันแล้วก็เมากลับมาก็ตายบ้างรถแหกโค้งไปบ้างอะไรกันบ้างทะเลาะกันบ้าง นี่ไม่เพราะติดในรถเลยอนะก็ติดในรถอีกเหมือนกันฉะนั้นรถก็สักแต่ว่ารถวางใจเป็นกลางๆงนะวางใจเป็นกลางๆแล้วเราก็จะสบายนะบางครั้งมันของมันนิดหน่อยแต่โอ้โหมันแพงเหลือเกินนี่เพราะอะไรก็เพราะเราไปติดในรถนั่นเองนะไปติดในรถนั่นเองฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงสังวรระวังนะในเรื่องรับประทานอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้อง ทำด้วยความมีสติสัมบูรณ์ระวังว่าเรากินเพื่อ ย, ยังอัตภาพให้เป็นไปในการที่จะดํารงชีวิตในการที่จะประกอบคุณงามความดีไปวันวันหนึ่งตั้งใจทําคุณงามความดีไม่ใช่เรากินไปเพื่อความสวยงามหรือกินไปเพื่อกิเลสตัณหากินอย่างนี้มีทุกข์มีโทษกินแล้วมีความเดือดร้อนนะไม่ใช่เดือดร้อนแต่ตัวคนเดียวนํามาถึงครอบครัวอีกด้วยแต่การสุดท้ายตัวโผดผักะ นะตัวนี้หมายถึงว่าการสัมผัสการถูกต้องการถูกต้องก็คือร่างกายของเราไดการสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าหากไอ้สิ่งล่านี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยแต่ว่าเราติดบางคนนอนเสือไม่ได้นอนพื้นกระดานไม่ได้นอนกลางดินกลางทรายไม่ได้เมื่อเรานอนอย่างนี้ไม่ได้ก็แน่นอนที่สุดเราจะไม่มีวันประสบในสิ่งที่ เป็นจัดจะทำได้เพราะบางคนนี่ติดมากะจะต้องนอนมีฟูกมีเบาะอย่างดีมีผ้าปูอย่างดีเนี่ยไอ้อย่างนี้บางทีมันก็มันส่วนมากมันทำให้เรานั้นเกิดความเพอ้อฝันเกิดความนึกคิดสร้างสรรค์วิจิตริิสานาสร้างวิมานในอากาศเราจึงไม่เห็นอัดเห็นทม แต่ถ้าหากว่าเราได้นอนกับไอสิ่งที่เป็นธรรมชาตินอนกลางดินกลางทรายนอนกับเสือกับกระดาษอะไรอเนี่ยเราจะพบสัจธรรมคือความจริงเราลองดูเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่ไหนเขาสูตรกกลางดงกลางป่ากลางดินกลางทรายนี่เห็นไหมทั้งทั้งที่ท่านเป็นลูกกษัตริย์ด้วยซ้ำไปอยู่ประสาทราชวังแปลว่าท่านก็มาประสูติกลางดินกลางทรายกลางดงกลางป่า แล้วท่านตรัสรู้ที่ไหนก็ตรัสรู้ที่โคนต้นไม้มีหา้าคารองรับก็พูดง่ายๆก็คือกลางดินกลางทรายแล้วท่านไปในนิพพานที่ไหนก็เมื่อท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผูต้ตรัสรู้แล้วก็ยังไปปรปนิพพานในกลางดงกลางป่าที่เมืองกุสินาราภายใต้ต้นรังทั้งคู่มันก็กลางดงกลางป่าเห็นไหมนี่เขาสัมผัสอยู่กับธรรมชาติสัมผัสอยู่กับสัจธรรม เขาจึงไม่ท่านจึงไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกู้ความดับทุกู้หนทางให้ถึงความดับทุกแต่พวกเรามันไปเกิดดีเกินไปเกิดโ น, น, น้นมันเกิห้าชั้นสิบชั้นยี่สิบชั้นเลยไม่รู้ความจริงมันเกิดสูงไปก็คือเกิดเกิดในอากาศไว้นั่นเถอะมันก็เลยฝันถึงเป็นวิมาในอากาศอยู่เลยเลยก็มีแต่ทุกมีแต่โทษอยู่ตลอ ด, อ ย, ล อ, ดอยู่ทุกลมหายใจฉะนั้น เราควรจะพิจารนาว่าในโรคเสียงติ่นรดหรือโวดทัพทะการสัมผัสนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่จรังยั่งยืนเมื่อเรามีก็มีให้เป็นเมื่อเราเป็นก็เป็นให้เป็นมีให้เป็นเป็นให้เป็นล้วไม่เป็นทุกข์แต่ถ้ามีไม่เป็นเป็นไม่เป็นแล้วมันเป็นทุกข์นะทิ้งอยู่เราจะต้องคลุกคลีอยู่กับโรคเสียงติ่นรดโวดทัพทเราต้องทุกคีอยู่ทุกคนทั้งไป ผู้หญิงผู้ชายฝ่ายพระสงฆ์องค์เลงก็ต้องอยู่กับพวกนี้แต่เราต้องมีให้เป็นต้องเป็นให้เป็นอย่าหลงอยายึดอย่าติดอย่างนี้เราไม่เป็นทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของกามาตัณหาก็คือคนที่มีความพยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสมกหุ่นมัวเมาจนลืมตัวลืมตนนะลืมตัวลืมตนอย่างนี้แหละเรียกว่ากามาตัณหา นี้ก็โพูดในข้อแรกก็เสียยืดยาวมาในข้อที่สองก็คือภาวะตันหาในคําว่าภาวะตันหาภาวะตัวนี้มันแปลได้สองอย่างแปลว่าอยากมีอยากเป็นก็ได้ภาวะเนี่ยมันมาจากคําว่าภูาธาภูเนี่แปลว่ามีแปลว่าเป็นเอาอุเป็นโอเอาโอเป็นอาวะก็เป็นภาว ะ, ะเป็นภวะตันหาก็คืออยากมีอยากเป็น ทีนี้บางที่ก็แปลว่าอยากในภพเอ้คําว่าอยากในภพนี่มันเป็นภาษาของพระก็คือว่าไอ้คาว่าวะตัวนี้แปลงเป็นพระได้เป็นพอพานได้อ่าวะเป็นพระก็เป็นภพไปอะก็เป็นภพไปก็คืออยากในภพก็คืออยากมีอยากเป็นคืออยากเป็นอยู่ในภพที่ตนเกิดด้วยอํานาจแห่งความอาลัยเช่นในชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่อยากจะตายจากความเป็นมนุษย์นะอยากจะอยู่อย่างนี้ แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นลูกคนร่ำรวยมั่ ง, ง, ม, งมีเศรษฐีก็อยากจะอยู่มันอย่างนั้นนะไปที่ไหนมันก็ไม่ไม่ได้รับความสุขความสบายก็ไม่อยากจะไปอยู่อย่างนั้นไม่อยากจะไปเป็นอย่างนั้นนี่มันติดมันยึดหรือว่ามีความปรารถนาอยากเกิดอยากเป็นอยู่ในภพอื่นๆที่ตนคิดเห็นด้วยอํานาจแห่งใจอยากจะเป็นเท ว, วดาอยากจะเป็นพระพรอยอยากจะเป็นใหญ่ๆโตๆขึ้นไปอีกเนี่ยมันอยากมีอยากเป็นอยู่เรืย นี่แหละมันเป็นตัวภวะ ต, ตันหาแง่ความอยากเป็นอย่างๆเช่นอยากเป็นเจ้านยายใหญ่โตอยากเป็นหัวหน้ามีหน้ามีต า, ตาขอชนทั้งหลายซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความคิดความฝันความเพ้อเจ้อด้วยอำนาจภวะ ต, ตันหาชักจูงทางนั้นผลที่สุดก็ไม่ได้สมความปรารถนารวมความว่าภวะ ต, ตันหาก็ได้แก่ความอยากเป็นด้วยอำนาจ ความทะเยอทะยานอยากที่หลงไหลไฝ่ฝันปราจะจากความจริงข้อที่สามก็คือวิภวะตัญหาได้แก่ความทะเยอทะยานอยากอันปราจะจากพกคือความไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากตายเสียด้วยอํานาจแห่งความเบื่อหน่ายหรือเช่นคนที่ได้รับความทุกเวทนาอย่างสาหัสแล้วก็ทําอัตตวิบาตก็คือฆ่าตัวตายนะ เหล่านี้เป็นต้นทั้งนี้ก็เพราะความเบื่อหน่ายหรือว่าเพราะความผิดหวังอะไรก็แล้วแต่ละนะบางคนก็ผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักบางคนก็ผิดหวังนะในเรื่องครอบครัวบางคนก็ผิดหวังเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาบางคนก็ผิดหวังเรื่องงาที่คัดงานบางคนก็ผิดหวังเรื่องการเรียนการศึกษาอะไรมันก็มีหลายสาเหตุเนีโดยผลที่สุดก็กินยาตายข่าตัวตายปูดคอต time, ายอะไรเนี่ยเราเห็นวีเยอะแยะนะฉะนั้น ในความความทะเยอทะยานอยากอันตาจาะจักพบในที่นี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากเป็นโน่นไม่อยากเป็นนี่โดยที่สุดแม้เป็นอะไรก็ไม่อยากเป็นทางนั้นคือไม่อยากจะอยู่ในพบนไหนๆทั้งหมดอย่างนี้แหละจัดเป็นประเภทตัณหาทางนั้นข้อนี้ท่านอาจจะเข้าใจยากไปนิดหน่อยนะคือในข้อที่สองที่บอกว่าภาวะตัณหาก็คืออยากมีอยากเป็น แต่ตัววิภาวะตัญหายอยากไม่มีอยากไม่เป็นยกตัวอย่างง่ายๆที่แรกให้เราอยากจะมีแฟนน อ, อยากจะมีสามีผู้หญิงก็อยากมีสามีผู้ชายก็อยากมีภรรยาน อ, อยากมีแต่เมื่อมีไปแล้วมันเกิดเบื่ออ่าไม่อยากจะมีสามีไม่อยากจะมีภรรยานี่ตัวนี้แหละเป็นวิภาวะตัญหาอ่า แล้วไอ้ที่ไม่อยากมีสามีไม่อยากมีภรรยาไม่ใช่จะหยกแค่นั้นนะไม่อยากมีกับคนนี้เกิดเบื่อหนายคนนี้แต่ว่าไปอยากมีกับคนอื่นอีกนี่แหละมันเป็นวิภวะตัณหานี่เป็นอย่างนั้นทีแรกก่อนพอมอีมีแฟนมีสามีมีภรรยาแล้วก็อยากมีลูกว่าลูกมันเป็นโซ่ทองคล้องใจอาจจะเป็นเครื่องฝูกสกุลเป็นเครื่องเนวรั้งจิตใจนะ แต่พอมีลูกไปไอ้ลูกมันว่านอนสอนยากลูกมันดื้อดึงแม่ไม่อยากจะมีลูกเลยเบื่อลูกเกินกูไม่อยากจะเป็นแม่มึงเชเลยมึงมันดื้อด้เนี่ยเป็นวิภาวะตัณหาไงเป็นวิภาวะตัณหาฉะนั้นในเรื่องของตัณหาสามนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นไอ้คําว่าวิภาวะตัณหาที่บอกว่า อยากไม่เป็นอยากไม่เป็นโน่นอยากไม่เป็น น, ون, น, นี่หรือว่าอยากอันตราจะจากพบถ้าแปลง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าไม่อยากเป็นโน่นไม่อยากเป็นนี่นั่นเองคือเป็นะแล้วไม่อยากเป็นนั่นแหละจึงเรียกว่าวิภะวะตัณหาฉะนั้นก็สรุปสั้นๆได้แล้วว่าในตัณหาสามนี้มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนทั้งนั้นถ้าจะถามว่าอะไรได้ชื่อว่าตัณหา ตามที่ท่านกล่าวไว้ว่าความไม่อยากเป็นมู่นเป็นนี่และความดับสูญเสียไม่อยากเกิดในภพนั้นๆต่อไปอีกเช่นนี้จัดเป็นวิปวะตัญหาถ้าเช่นนั้นคนที่ศาถนาพระนิพพานจะจัดเข้าในตัญหาข้อนี้ได้หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้เราตอบได้เลยว่าความอยากได้อยากพ้นอย่างแรงกล้าที่เรียกว่าทยานอยากลิ้นลนไในชีวิตตัญหาจะจัดเข้าในตัญหาข้อนี้ไม่ได้ พระบคคลผู้มีความปรารถนาในลิพานนั้นจิตเดิมของเขามุ่งความดับกองทุกข์เป็นส่วนใหญ่โดยที่เห็นว่าโลกเต็มไปด้วยสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นด้วยความเบื่อหน่ายโลกโดยที่มีโรคาพยาธิเป็นต้นมาตัดทอนความสุขความสำงานของเขาเอาละบรรยายเกี่ยวกับเรื่องตัณหาสามมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอจเจริญพร วันนี้จะได้พูดในหมวดที่สามว่าในเรื่องทิฏฐิสามคืนหนึ่งตาริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมสองอาเหตุกะทิฏฐิความเห็นว่าหาเหตุม่ได้สามนัตถิกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มี ทั้งสามอย่างนี่แหละเรียกว่าทิฏฐิสามอาทิฏฐิสามประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำความเข้าใจว่าคำว่าทิฏฐินี้โดยจริงๆแล้วเป็นคำกลางๆยังไม่ดียังไม่ชั่วนะถ้าหากว่าเป็นปลายดีก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นปลายชั่วก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ อ่ะมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นผิดแต่ในที่นี้ก็เจาะจงไปเลยว่าเป็นทิฏฐิในในทางที่มิจฉาทิฏฐิคือเห็นไม่ถูกเห็นไม่ควรอ่ามาพูดถึงเรื่องทิฏฐินี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะเป็นสิ่งสําคัญมากสําคัญมากอย่างไรเพราะว่าคนเราทุกวันนี้เป็นคนมีทิฏฐิมากน่ะทิฏฐิมาก ตัวทิฐินี่แหละทําให้เกิดความอวดดีนะทาให้เกิดความอวดดีทาให้เกิดความดื้อรั้นทําให้เกิดความทนงตัวนะสำคัญว่าตัวเองดีกว่าเขานะเลิศกว่าเขาประเสริฐกว่าเขานะก็เลยไม่อยากงอกันไม่อยากปรับทิฐิเข้าหากันฉะนั้นคู่สามีภรรยาหรือคนรัก ที่อยู่กันไม่ยืนยาวทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ตัวทิฏฐินี่เองนะมีทิฏฐิต่อกันไม่ยอมลดลาวาศอกไม่ยอมลดทิฏฐิของตัวเองอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะอยู่กันได้ไม่มีโอกาสที่จะอาครองรักครองเรือนกันให้ยั่งยืนต่อไปได้ฉะนั้นควบคุนเรื่องทิฏฐิแล้วก็ใครขอร้องนักเรียนนักศึกษาและท่านาทุกชนทั้งหลายไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพใด ขอให้ท่านจงพยายามกำจัดตัวทิฏฐิในความเห็นผิดหรือสำคัญตัวเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เหนือกว่าเขาเลิศกว่าเขาประเสริฐกว่าเขามันสิน่งเหล่านี้มันมาจากทิฏฐิทั้งนั้นฉะนั้นจึงบอกว่าคำว่าทิฏฐินี้มันเป็นคำกลางๆนะเป็นคำกลางๆแต่ว่าในที่นี้บอกแล้วว่าเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นความผิดอย่างร้ายแรงท่านจึง จ, จำแนกออกเป็นสามประการแรกก็คืออคริยะทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมก็ได้แก่ความเห็นของคนบางคนว่าเมื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นความชั่วถ้าไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีใครจับได้ไม่มีใครลงโทษก็เปล่าท้งนั้นต่อเมื่อมีคนรู้แล้ว เขาจับได้และลงโทษต่างหากจึงให้โทษถึงแม้ว่าส่วนถึงแม้ว่าส่วนที่เราจัดว่าเป็นดีถ้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครชมไม่มีใครสรรเสริญไม่มีคนให้บำเหน็จให้บำนานก็เปล่าอีกเหมือนกันต่อเมื่อมีคนรู้มีคนชมมีคนสรรเสริญมีคนให้บำเหน็จบำนานต่างหากจึงจัดว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ อันนี้ถ้าจะพูดก็หมายความว่าคนเราถ้าหากว่าทำดีไม่มีคนชมทำดีไม่มีคนยกย่องทำดีไม่มีคนเห็นก็ไม่ชื่อว่าทำดีแไม่ชื่อว่าเป็นอันทำดีถ้าหากว่าจะชื่อว่าทาดีจะต้องมีคนเห็นจะต้องมีคนยกย่องจะต้องมีคนชมเชย แหมคนนี้ทำดีนะคนโยยนะบริจาคมากนะอ่าอาขอชงเชยด้วยขออนุโมทนานด้วยนะพวกนี้ก็คือว่าชอบปิดทองหน้าพระไม่ชอบปิดทองหลังพระกลัว ค, คนจะไม่เห็นนะกลัว ค, คนจะไม่เห็นฉะนั้นจึงบอกว่าบางคนจะทำอะไรนิดนิดหน่อยๆน่อยเนี่ยจะต้องให้เขาประกาศชื่อนะจะต้องให้เขาประกาศชื่อต้องให้เขาเขียนชื่อ อ้านะรู้สึกว่ามันได้บุญมากความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจรนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่เจตนาของเรานะไอ้เรื่องบุญเรื่องบาปนี่มันอยู่ที่เจตนานะถ้าหากว่าเรามีเจตนาดีมันก็เป็นบุญเจตนาไม่ดีมันก็เป็นบาปอืมฉะนั้นเราจะทําบาปเหมือนกันถ้าหากว่าทําไปแล้วไม่มีคนติชินนินทา ไม่ถูกจองจํานะไม่ถูกจองจําไม่ถูกลงโทษก็ไม่ชื่อว่าทำบาปไม่ชื่อว่าทําชั่วนี่ให้คนที่เห็นเป็นอกิยทิฏฐิทุกวันนี้ในสังคมทุกวันนี้มีอย่างนี้มากอะมีอย่างนี้มากเมื่อคนมีอกิยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรมก็คือว่าอาหมายถึงว่าเห็นว่าทําไปแล้วก็ไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นไม่เป็นไรนะฉะนั้น ปัญหาจึงเกิดขึ้นทุกวันนี้คนจึงทำชั่วกันมากเกิดคอรับชั่นกันมากถือว่าไม่มีคนเห็นไม่มีคนรูน้นี่แหละปัญหานี้จึงทำให้สังคมเราไม่ค่อยเจริญไม่มีระเบียบไม่มีวิ น, นัยเพราะถือว่าไม่มีคนเห็นก็ทำผิดระเบียบไม่ได้คนขับรถมองดูแล้วไม่เห็นเจา้าหน้าที่อาจจะพาไปแดงก่อได้เที่ยวกห้ามเลี้ยวก็เลี้ยงไปนี่ถือไม่มีคนเห็นในบรรดาคนเราเหมือนกัน จึงต้องมีการผิดประเวณีกันก็เพราะถือว่าไม่มีคนเห็นไม่เป็นไรไม่มีคนรู้ไม่มีคนทราบนี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะทำดีต่อถ้าไม่มีคนเห็นไม่มีคนชมก็ไม่อยากทำอยากทำที่มีคนเห็นมากๆมันจะได้ปลุกใจนี่สังคมเรามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อสังคมเป็นอย่างนี้แน่นอนที่สุดมันก็มีแต่ความหายันตอืะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนนะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่น่าคิดมากนะเป็นสิ่งที่น่าคิดมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเราทุกคนนี้ไม่ชอบปิดทองหลังพระนะไม่ชอบปิดทองหลังพระคือไม่มีคนเห็นนั่นเองดังนั้นบางคนก็จึงมาลําพุงลําพันว่าเรามันปิดทองหลังพระไม่มีคนเห็นคุณงามความดีของเราทั้งๆ ท, ที่ดาทำดีแทบตายไม่เห็นได้ดี ตัวใ้คนนั้นคนนี้มันไม่ได้ทําสักหน่อยแต่ว่ากลับได้ดีกรับยุกย่องปรับชมเชยอ่าเพิ่มเงินเดือนให้เพิ่มขั้นให้ไอเราทําดีแทบตายคนมองไม่เห็นลิกน้อยใจกินยาค่าตัวตายบ้างลาออกบ้างเกิดข่ากับเจ้านายอะไรเนี่ยเราเห็นมีบ่อยนี่แหละจึงบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดนะเป็นการเข้าใจผิดการทําดีทําชั่วนั้นมันอยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่ใจของเรา นะอยู่ที่ใจของเราการทําดีเราก็ต้องได้รับความดีความดีนั่นคือความสุขกายสบายใจความดีไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองไม่ใช่เป็นลาบเป็นยศเป็นตาแหน่งแต่เราไปเข้าใจเอาเป็นวัตถุคนเราเมื่อมีความดีแล้วจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมีเงินมากก็มีความสุขมีเงินน้อยก็มีความสุขเพราะคนมีคุณธรรมคือความดีนั่นเอง แต่พวกมิจฉาทิฏฐิในข้ออักลืญาทิฏฐิก็คือว่าความเห็นว่าไม่เป็นอันธทมว่าถ้ารมดีไม่มีคนยกจ่องชมเชยก็ไม่ชื่อว่าธรรมดีทำชั่วไม่มีคนเห็นอ่าไม่มีอเขาจับไปลงโทษหรือไม่ถูกเขาจับไปลงโทษไม่ไม่ถูกคนติชิ้นเนินทาก็ไม่ชื่อว่าทำชั่วนี่แหละเป็นพวกอกักลือญาตทิฏฐิมาในข้อที่สอง อเหตุทุกกะทิฐิคือความเห็นว่าหาเหตุมิได้คือไม่มีเหตุในแก่ความเห็นของคนบางคนว่าอันธรรมดาคนเราจะได้ดีหรือร้ายนั้นตามสมควรที่สงเคราะห์ตามเรียกว่าตามแต่เคราะห์ดีเคราะร้ายถึงคราวที่เคราะดีก็ได้ดีเองถึงคราวเคราะหร้ายก็เคราะร้ายเอง ทำอะไรก็มักถึงคราวเคราะดีทําอะไรก็มีคนช่วยสนับสนุนอ่าุ้มชูอุปธรรมบํารุงลาบยศสุขสรรเสริญก็เกิดขึ้นตามลําดับแต่ถ้าถึงคราวเคราะร้ายกถ็ถึงจะทําอะไรดีก็มีคนติมีคนคอยขัดคอยขวางคอยตัดคอยรอนลาบยศสุขสรรเสริญก็เสื่อมสูญไปตามกันนี่พวกอเหตทธุ ก, กะทิปปิความเห็นว่าหาเหตุมีได้ ừ, ความเห็นว่าหาเหตุมีได้ ท่นลองนึกดูสิว่านั่นผิดหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดมาจากเหตุนะเหตุดีผลก็ดีนะเหตุดีผลก็ดีฉะนั้นเราทุกคนต้องต้องทําเหตุให้ดีเหตุนั้นมันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เมื่อปัจจุบันเราทําดีอนาคตมันก็ดีนะผลมันก็ดีฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงทําดีต่อกันนะจงทําดีต่อกันนะประเภท อที่สามนสิกาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีไอ้ที่ว่าเห็นว่าไม่มีไม่มีอะไรคือไม่มีเหตุไม่มีผลนั่นเองก็ได้แก่ความเห็นของคนบางคนว่าสัตว์บุคคลไม่มีต่างเป็นแต่เพียงธาตุมาประชุมกันเมื่อเกื้อกูลกันหรือทําร้ายต่อกันและกันก็ไม่เป็นบุญเป็นบาปเพราะธาตุอย่างหนึ่งถึงเข้ากับธาตุอ ธาตุอย่างหนึ่งก็เข้ากับธาตุอีกอย่างหนึ่งหรือสังขารต่อสังขารกระทบกันเข้าต่างหากย่อมไม่มีบุญไม่มีบาปลองยกเขายกตัวอย่างว่าเช่นฝนตกลดต้นไม้ทําให้ต้นไม้ชุ่มชื้น อ, ออกดอกออกผลฝนมันก็ไม่เห็นได้บุญ อ, อเขาก็คิดขัดขืนเหมือนกันออาฝนไม่ได้บุญเอาไฟปา่าไม่ปา่าต้นหมากรากไม้ตายไปหมดก็ไม่เห็นไฟมันบาป แน่เขาก็ยกดีเหมือนกันแน่ยกดีเหมือนกันแต่คล้ายไหว้พวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันมีข้ออ้างน่ข้ออ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ไม่มีบุญไม่มีคุณกันนะไม่มีบุญไม่มีคุณกันฆ่ากันก็หม่บาปอ่าครูบาอาจารย์ไม่มีอไม่จะมาอ้างบุญคุณกันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีบุญไม่มีบาปอ่าถ้ามันไม่ีบุญมีบาปพ้นตก รถต้นหมากรากไม้ให้เขียวขจีเขียวเจ้อุ่มพุ่มสวัยฝนมันก็ได้บุญนะสิได้ปลาฝนมันก็มาได้บุญอะเขาเข้าใจยกอ่าบาปก็ไม่มีอ่ถ้าบาปนี้งั้นไฟไหม้ไฟป่าไห ม, ไปไม้ป่ามือไฟมันก็เป็นบาปไฟมันก็ไม่ได้รับนี่นี่พวกมิจฉาทิฐิอ่ามันคิดอย่างนั้นแต่นั้นทิฏฐิทั้งสามนี้ผิดจากกติในทางพระพุทธศาสนาอ่าผิดมากเลยอ่าผิดมากคืออกุยยะทิฏฐิก็คือปฏิเสธ อังกิติยะทิถิหมายถึงว่าความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรทำความเห็นว่าไม่เป็นอันทำดีหรือไม่เป็นอันธทรำรชั่วถ้าไม่มีคนยกย่องไม่มีคนชมเชยไม่มีคนติชินนินทาคือปฏิเสธนปฏิเสธหมดเลยคือลำ้ำทางการทําถือปัจจัยภายนอกคือบุคคลเป็นผู้อํานวยผิดจากคติทางพระพุทธศาสนาที่ว่าการทำนั่นเองเป็นเหตุ ตัวอย่างเช่นคนปล้นเอาทรัพย์ของคนอื่นไปถึงแม้ว่าเขายังจับไม่ได้ตัวเองก็ต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเที่ยวหนีซุกหนีซุนนี่เราจะสังเกตดูสิที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเรื่องไอ้ขาวก็ดีไอ้ดำก็ดีหน้าที่ฆ่านักเขียนชื่อดังตายเนะ่ะเท่านี้หัวซุกหัวซุนไปนะถึงแม้จะจับไม่ได้เขาก็เป็นทุกข์เขาต้องหบต้องซ่อน ต้องหลบต้องซ่องใครก็แล้วแต่นะถ้าทำชั่วไว้แนละ้วก็มันก็เป็นทุกข์ทางนั้ น, นเป็นทุกข์ทางนั้นนี่อันนี้เราเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยคนที่สละทรัพย์ของตนออกช่วยเหลือเกือ้อกูล ค, คนอื่นแม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนภายนอกแต่ก็ยังได้รับความเบิกบานใจของตนเองและการทำนั้นก็ย่อมให้ผลในคราวต่างกันด้วยอำนาจแห่งประโยชน์ในสมบัตินั้นๆนี่นน อันนี้เราสังเกตดูบางคนก็ทําด้วยความพอใจบางคนก็ทําด้วยความปลื้มใจบางคนก็ทําด้วยความดีใจอ่าฉะนั้นถึงแม้จะปลื้มใจหรือดีใจก็อันนี้มันก็เป็นบุญอ่ามีผลอยู่แล้วอืฉะนั้นขอให้เราอ่าทุกคนจงนึกไว้เสมอว่าในทางพระพุทธศาสนานั้น เราจะทำดีทำชั่วจะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นก็ตามก็ชื่อว่าเป็นการทำดีก็ชื่อว่าเป็นการทำชั่วนะนะฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากเราจะอยู่ในที่รับในที่แจ้งถ้าทำดีมันก็เป็นได้รับความดีทำชั่วก็ต้องได้รับความชั่วพระพุทธองค์ได้ตัดไว้เลยว่ายาที่สังวะปะเตพีชังตาที่สั่งละปะเตพลังกาลย า, ากาลีกาลยาหนังปาปกาลีจะปาปัง คนบุคคลหวานเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีก็ได้รับความดีทำชั่วก็ย่อมได้รับความชั่วนี่อันนี้เป็นเครื่องชี้ชัดเลยในทางพระพุทธศาสนาจึงต่างกับพวกวิชฉาทิฏฐิที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะกล่าวไว้ข้างต้นฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ที่เราน่าคิดน่าศึกษา ม, มากส่วนอนหิบตุกะทิฏฐินั้นปฏิเสธเหตุนะปฏิเสธเหตุหมดเลยอเหตุกะทิฏฐิ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุทั้งข่าวดีดเองถึงข่าวชั่วช่วเองนะถือปัจจัยภายนอกคือข่าวเป็นผู้อํานวยหมายถึงว่าอะไรที่มันอํานวยประโยชน์ให้ก็มันเกิดขึ้นเองนะ เ, เกิดขึ้นเองอะไรที่มันอํานวยความทุดวกให้มันก็เกิดขึ้นเองว่าง่ายๆว่าถึงดีดีเองถึงชั่วช่วเองไม่ต้องทำนะว่างั้นเถอะอันนี้มันก็ผิดจากคติในทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่า อาสังคตธรรมทั้งปวงเกิดแต่เหตุเ น, นว่าสิ่งที่มีปัจจัยคุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากเหตุทั้งนั้นนะเหตุเท่านั้นเกิดขึ้ น, นเมื่อเกิดเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดก็ตั้งอยู่ดับไปนี่มันเป็นอย่างนี้อ่านี่เป็นของเป็นสัจธรรมนะเป็นสัจธรรมหรือดัง พระสิบทีหนึ่งว่าเยธรรมมาเหตุตุปภาเตสังเหตุตรงถาะโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนแปลใจความสั้นๆก็คือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแต่เหตุสิ่งนั้นก็ย่อมดับลงด้วยเหตุนั้นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลเพื่อกลซึ่งกันและกันจะปฏิเสธเหตุไม่ได้ปฏิเสธเหตุไม่ได้ในที่เราร่ำรวยนี่เพราะว่าเราตั้งใจทาการงาน เราตั้งใจทำอาชีพของเราในทางสุจริตขยันทำมันจึงเกิดความร่ำรวยฉะนั้นในหลักของหัวใจเสียถีในข้อแรกจึงบอกว่าให้เรารู้จักขยันถ้าเราขยันแล้วก็รู้จักประหยัดคบเพื่อนที่ดีเลี้ยงชีพตามสมควรแน่นอนเราจะรวยขึ้นนี่เพราะเหตุที่เรารู้จักขยันประหยัดแต่ถ้าเราไม่ขยันทำกิจการงานทั้งปวงไม่รู้จักประหยัดในการใช้จ่ายทัพย์แน่นอนเราจะมีทรัพย์สินเงินทองไม่ได้นะมีไม่ได้ นั้นบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันต้องมีเหตุต้องมีผลนะต้องมีเหตุต้องมีผลฉะนั้นนี่ก็เป็นคติในทางพระพุทธศาสนาว่าสังพกิจรรมทั้งปวงนั้นเกิดแต่เหตุถึงแม้จะไม่ปรากฏว่าอะไรเป็นเหตุแห่งธรรมนั้นๆแม้อย่างนั้นธรรมนั้นๆก็คงเกิดแต่เหตุอยู่นั่นเองเป็นแต่ว่าเหตุนั้นยังไม่ปรากฏที่ท่านจับต้นเขาได้ว่าอวิชชานะ คือเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจในข้อที่สามที่บอกว่านัติกะทิปิปฏิเสธโดยประการทั้งปวง <c oughs> คือหมายว่าปฏิเสธทั้งเหตุและผล <c oughs> ปฏิเสธหมดเลย <c oughs> คือสมมุติ <c oughs> เรียกว่ า, าสมมติสัจจะคติธรรมดาอันเนื่องด้วยเหตุด้วยผล ม่น เ, เรียกว่ากรรมมัสกาแเรียกว่าผิด <c oughs> ผิดจากคติทางพระพุทธศาสนาที่รับสมมุติสัจจะแม้ว่าแม่รับอยู่ว่าสัตบุคคลโดยสมมุตินั้นเป็นแต่ธาตุชุมกันก็จริงแต่ก็ย่อมตกอยู่ในคติแห่งธรรมดาคือกรรมมัสกาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีกรรมเป็นของของตน ตนเองทํากรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นเรามีกรรมเรามีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพอ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยรังเราทํากรรมอย่างไรก็ย่อมได้รับกรรมอย่างนั้นทํากรรมดีก็ย่อมได้รับความดีทํากรรมชั่วก็ย่อมได้รับความชั่วเราทําจะไปให้คนอื่นได้รับไม่ได้นี่มันเป็นหลักความจริงเรากินข้าวเองเราก็อิ่งเอง <c oughs> เราไม่กินเราก็ไม่อิ่มนี่มันเป็นหลักความจริงฉะนั้นในเรื่องของอาทิตฐิสามถือว่าผิดหลักในทางพระพุทธศาสนาจึงจัดเป็นมิจฉาทิตฐิทีนี้ถ้าจะมีปัญหาถามว่าความเห็นของคนบางคนว่าถึงคราวเคาะดีก็ได้ดีเองถึงคราวเคาะร้ายก็ร้ายเอง นะก็ยังไม่ได้ดีอันนี้จัดเป็นอะไรในในมิจฉาทิฏฐิสามส่วนความที่เห็นชอบนั้นควรถืออย่างไรนะตรงนั้นทางมีคนถามอย่างนี้เราก็ตอบได้เลยว่าอันนี้ก็จัดเป็นอเหตุตุกาทิฏฐิความเห็นว่าหาเหตุนีได้ส่วนความเห็นที่ชอบนั้นก็ควรถือว่าตนจะได้ดีมีคนชมช่วยสนับสนุนชุบเลี้ยงลาบยศ เกิดขึ้นก็เพราะความดีของตนที่เคยทําไว้เป็นเหตุตนจะได้ร้ายหรือได้ชั่วทําอะไรมีคนติเข้ามาขัดขวางตัดรอนขาดลาบขาดยศก็เพราะความชั่วที่ตนนั่นเองเป็นเหตุแม้เหตุนั้นไม่ปรากฏแก่ตนในปัจจุบันถึงอย่างนั้นไม่ควรปฏิเสธควรถือเหตุภายในไม่ควรถือปัจจัยภายนอกคือคราวเป็นถึงคราวจะอํานวยประโยชน์ อะไรให้ก็แล้วแต่เพราะถือว่าผิดจากคติพระพุทธศาสนาที่ถือว่าสังคตธรรมทั้งปวงเกิดแต่เหตุแม้ยังไม่ปรากฏว่าอะไรเป็นเหตุก็คงเกิดแต่เหตุอยู่นั่นเองเป็นแต่ว่าไม่ปรากฏเท่านั้นที่ท่านาเรียกว่าเป็นตัวอวิชชาคือความเขาาไม่รู้เท่าทันาตามเหตุที่เกิดขึ้นนั้นๆหรือหากว่าจะมีคาถามว่าอุเคทิฏิ ความเห็นว่าขาดศูนย์กับนัติกาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีอุเช ท, ทิฏฐิ น, นิหมายถึงว่าในทิฏฐิสองนะในทิฏฐิสองถาว่าอุเชติฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์กับนัติกาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหมือนกันหรือไม่เพราะขาดศูนย์ก็ไม่มีหรืออย่างไรจงวินิฉัยมาดูอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าต่างกันอุเชทิฏฐิความเห็นปฏิเสธเหตุผลในอนาคตเช่นเห็นว่า คนและสัตว์ตายแล้วศูนย์เป็นต้นวนนติขาทิฏิความเห็นปฏิเสธเหตุผลในปัจจุบันเช่นปฏิเสธสมมติสัจจะและกรรมสกตาเป็นต้นจึงเห็นว่าต่างกันดังนี้ต่างกันหรือถ้าจะมีคนถามอีกว่ากรรมมรรตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน กรรมสัศดาเชื่อกรรมวิปากศัทธาเชื่อผลของกรรมทั้งสามข้อนี้ข้อไหนจัดเป็นปฏิปักษ์ต่อทิฏฐิสามข้อไหนบ้างเพราะเหตุไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่ากรรมมัศกาศศัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อนักกิกะทิฏฐิคือความเห็นปฏิเสธเหตุและผลคือไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างกรรมมัศดาเชื่อกรรม เป็นปฏิปักต่ออกจเยทิฏฐนะิคือความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมเชียกว่าทำทำดีไม่มีคนยกย่องก็ไม่เชื่อว่าทำดีทำชั่วไม่มีคนยกย่องก็ไม่ชื่อว่า ท, ทำชั่วยยอันนี้กรรมกสัทธาเชื่อรกรรมนี้เป็นปฏิปักต่อกันวิปากรสัทธาเชื่อผลของกรรมเป็นปฏิปักต่ออเหตุุกาทิฏฐิคือความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีเหตุอไม่มีเหตุ แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุนะมีเหตุที่ท่านจัดอย่างนี้ก็เพราะว่านัทธิกาทิฏฐิโดยส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือปฏิเสธคติแห่งธรรมดาคือกรรมมัศกตาสัทธาส่วนกรร ม, มสกตาศรัทธารับรองคติแห่งธรรมดาในทางพระพุทธศาสนาอาเกียรทิฏฐิปฏิเสธลำพังการกระทำคือปัจจัยภายนอก คือบุคคลเป็นผู้อำนวยประโยชน์หรืออำนวยเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนวิปาากัท ธ, ธารับรองผลที่ปรากฏเกิดจากเหตุนั้นๆหารายเหตุไม่ฉะนั้นศรัท ธ, ธาทั้งสามจึงไม่จัดไม่จัดเป็นปฏิปักษ์ต่อทิฏฐิทั้งสามจึงไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อทิฏฐิทั้งสามดังกล่าวมาแล้วฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ ท, ที่น่าคิดมากนะเป็นสิ่งที่น่าคิดมากนาะเกี่ยวกับเรื่องพิธิฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายก็ลงมาทําความเข้าใจนะว่าไอ้เรื่องพิธินี้ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญมากถ้าหากว่าเราได้ศึกษาโดยตรงแท้แน่นอนที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดแต่เหตุนะสังกัตธรรมทั้งปวงเกิดแต่เหตุอ่มนะ เมื่อเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเหตุหมดไปก็ดับกันไปนไม่ว่าดับกันทุกอย่างฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงเห็นในทางที่ถูกก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นอย่างสัมมาทิฏฐิก็คือว่าเห็นเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นยังไงเห็นทุกก็คือรู้ทุกนั่นเองรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกก็คือตัวสมุทยัยได้แก่ตัวตัณหา กามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาเห็นความดับทุกข์ก็คือตัวนิโรธก็คือตัวดับตัญหาโดยสิ้นเชิงไม่เป็นอกุปปาธรรมเนียกว่ า, าไม่กำเริบขึ้นแล้วเป็นอกุปปธรรมนะเป็นอกุปปธรรมเรียกว่าไม่กำเริบแล้วก็เห็นหิถทางให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้แก่มรรคมันเองมรรคมีองค์แปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะนําลิชอบ สัมมาวาจาเจราจาชอบสัมมากรรมังตะการงานชอบสัมมาอาชีวะอาเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสังมาสัมมาธิตั้งใจมั่นชอบอ่านี่อย่างนี้เรียกว่าเราเห็นถูกน่าเห็นถูกฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายจงได้อาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิให้มาก คือคนเราทุกวันนี้มักจะมาบ่นกันว่าทงดีแล้วไม่ได้ดีนะทำดีแล้วไม่ได้ดีบ่นกันมากทุกวงการ น, นะอันนี้เพราะเราไม่เข้าใจนั่นเองว่าความดีคืออะไรนะเราไปเข้าใจกันเอาแต่เพียงว่าความดีนั่นคือราบยศแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติเป็นเหตุภายนอกจริงๆแล้วความดีนั้นมันเป็นนามธรรมานะมันเป็นภายในนะมันเป็นภายในฉะนั้นถ้าหากว่า เมื่อเราตั้งใจทําความดีแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อเลื่อนยศไม่ได้อเพิ่มเงินหรือไม่ได้รับคําชมเชยก็อย่าไปตกตกต ก, ตกใจนะอย่าไปประทกระทานใจแต่ว่าคนเราโดยมากมันมักจะเป็นอย่างนั้นนะมีปฏิกิริยาโต้อตอบทันทีเมื่อทําดีไม่ได้ดีแล้วจะอยู่ทําไมนะเมื่อทําดีแล้วไม่มีเขายกจ่องชมเชยจะอยู่ทําไมนะ หาว่าเจ้านายไม่ดีบ้างหาว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีบ้างไม่ให้กำลังใจเราบ้างนะสังคมเรามาติดอยู่เพียงแค่นี้เมื่อสังคมเราติดแค่นี้แน่นอนที่สุดมันก็มีความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนอยู่อย่างเดียวนะมีแต่ความเดือดร้อนอยู่อย่างเดียวฉะนั้นก็ขอให้เราจงลดลดไอ้ไอ้ตัวมานะทิฐิตัวนี้เนะี่ยมักจกคู่กันในตัวมานะทิฐิไอ้ความถือดีอวดดีนี่เอง ไอ้จริงๆแล้วคนเราไอ้ทิพยเนี่ยมันเป็นของอ่อนนะมันไม่ใช่แข็งหรอกนะมันอ่อนแต่ว่ามันไปพันอยู่กับไอ้ของแข็งเข้าเลยทําให้มันต้องกระด้างไปด้วยเปรียบเหมือนกับไอ้เถาวันไอ้เถาวันเนี่ยมันเป็นของอ่อนแต่เมื่อมันไปพันอยู่กับไอ้ต้นไม้ที่มันแข็งมันอ่ามันยืนต้นเวลาเราคลี่ออกมาไอ้เถาวันอันนั้นมันก็ โค้งงออยู่อย่างนั้นเราจะบัดึงให้มันละเอียดตรงมันก็ไม่ออกมันแข็งไะแล้วเพราะมันไปอยู่กับของแข็งหรือบางทีมันพันจนเราแกะไม่ออกนะข้อนี้ฉันใดไอ้ตัวทิศทีของคนเราเหมือนกันจริงๆแล้วมันไม่แข็งมันอ่อนแต่เพราะมันไปติดอยู่กับตัวมานะไปพันอยู่กับตัวมานะไอ้มานะตัวนี้มันเป็นของแข็งจึงทําให้เราต้องแข็งกระด้างต้องทําให้เราต้องอวดดีต้องทําให้เราต้องถือดี เมื่อเราอวดดีถือดีแน่นอนที่สุดความแตกแยกไอ้คนที่เคยเป็นมิตรสหายก็กลายเป็นศัตรูคนที่เป็นสามีภรรยาก็กลายเป็นศัตรูกันอยู่กันไม่ยั่งยืนอพี่น้องอที่เคยดีต่อกันรักใคร่กันก็กลายเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเห็นหน้ากันก็เบื่อขี่หน้านี่เพราะอะไรก็เพราะไอ้ตัวทิฏฐิมานะนี่เองฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาเขาจึงให้เราทุกคนนั้นมีความอ่อนอ น, ออน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมกายจิตใจสุภาพสมซาบใจชนทุกคนสรรเสริญกระด้างถือดี ม, มิมีจำเริญ น, น่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมถ่อมตนฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาอ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือว่าทำตัวเองให้ต่ำนะ ไอ้คำว่าทําให้ต่ําไม่หมายถึงว่าไม่ได้ทําอย่างที่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปัญญาแต่ทําให้ต่ำด้วยรู้นะคนที่อ่อนน้อมถม่อมตนนั่นแหละคือคนดีคนมีความรู้ท่านเลอยู่ต่ําน้ําจริงมากคนที่ทําตัวเองให้ต่ํานั่นแหละคือคนมีคุณธรรมความดีมากฉะนั้นขอให้เราจงอ่อนน้อมถม่อมตนเหมือนกับโคเขาหักเหมือนกับงูที่ถูกถอดเขี้ยวพิษแล้วหรือ ทำตัวเองให้ต่ำเหมือนกับผ้าขี้ริ้วที่สำหรับไปเช็ดเท้าให้เกลี้ยงนั่นแหละคือคนดีนั่นแหละคือนักปราชนั่นแหละคือคนที่ประเทศชาติสังคมต้องการเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องพิ ธ, ธิสามมา ก, ก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร